เออทราบคาว่าตูวโมกว่ดสวายประตูขากําลังที่เอาเ ข, าขา่าเข่าปากโบเลยต์เต่อออนี่แลหละบรห้าวสิตายมันหมดเองเลยสูกน่องพญ า, ามัจจุฬานม้วนเหลือกการสถานทีไว้ให้เขากินเข่าอิ่มตะกอนกระ บ, บวาวะ่ะเอาย่ามขับขันเธอเลยกํากลังที่กินเข่าล้วไปบีบข้อกันมาตูวโมกเมื่อวานเนี่ยกําลังลงไป วัดบ้านมังเขาคงจะไปดูเรื่องการเรื่องงานเรื่องบุญเรื่องบุญเรื่องทานน่ะจะจัดงานวันที่เก้าที่สิบเนี่ยพู้เท่ากันนี่นะตูโมกลงไปก็เลยไปนั่งทานกาลังจะกินข้าวกินข้าวนี่หละเขาไปลงไปจังหันกันเลยเอาข้าวมากำลังจะกินข้าวกำลังล้อมวงกินข้าวที่วัดบ้านพอกำลังข้าวยังในมืออยู่นะกาลังจะ ยิ้มข้าวนะฟุบลงในถาดจากนั้นเขาก็เอามาโรงพยาบาล น, นายูงรโรงพยาบาล น, นายูงรช่แล้วก็ไม่ไหวแนละ้วเขาก็เลยส่งเข้าอุดรส่งเข้าอุดรหมอไม่รู้จะทํำยังไงเพราะเข้าไปหมอก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะมันมันช็อกไปนานแล้วคือตามปกติตามหลักวิชาของหมอเนะี่ยถ้าคนล้มฟุบดูช็อก สลบไปในเจ็ดนาทีแปลว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองเจ็ดนาทีแปลว่าคนนั้นจะเป็นเจ้ามีโอกาสมากที่จะเป็นเจ้าชายนิทราเหมือนกันเถอะเพราะสมองสมองบวมเลยเลือดมันไปนเลี้ยงสมองไม่ไม่พอประมาณเจ็ดนาทีถ้าว่าทำคนนั้นเขาปั๊มหัวใจเออนั้นคงฟื้นขึ้นมาได้หนึ่งสองนาทีเนี่ยไม่เป็นไรถ้าถึงเจ็ดนาทีแล้วนะ่ะ ขนาดสองสามนาทีก็เถอะงงไปหลายวันเหมือนกันนะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแต่ในของตู้โมกตั้งแต่สลบแล้วเขาไปโรงพยาบาลไม่รู้กี่นาทีทนี่หมอเขาก็บอกว่าโทรไปถามหมอหมอเขาก็บอกว่าโอกาสที่จะฟื้นคืนนั้นยากเพราะสมองบวมแล้วเพราะนั้นตู้โมกนี่สงสัยจะกลับมาทางเราในยากเาะงั้นท มีแต่พวกเราวันนี้ไหว้พระตั้งจิตอธิษฐานให้ต้โมกหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะพวกเราตั้งจิตอธิษฐานเอาพลังใจเข้าไปช่วยมีแต่อภินิหารเท่านั้นแะจะช่วยต้โมกได้นะยาหรือหมอเนี่ยหมดโอกาสที่จะช่วยตุโมกแล้วมีแต่อภินิหาร มีแต่เทียวบุตรเทยวดาเท่านั้นที่จะช่วยตัวโมกได้เพียงนี้แหละสรุปแล้วก็คือชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้แก่คณะทายาทจมทั้งพระทั้งเนนทั้งหลวงพ่อด้วยเอาความจริงออกมาพูดให้กันฟังเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนขนาดข้าวอยู่ในมือก็อยังฟุบลงได้ แล้วก็สลบไปเลยแล้วก็ไม่ฟื้นฮะแต่ก็อาการก็หนักพอสมควรที่ได้ประสานไปทางหมอเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็จะตั้งอยู่ในความประมาทให้เก็บหอ ม, ล, อมล้อมลิบให้สร้างบุญกุศลเอาไว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติมีศีลมีธรรมไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อไม่ใช่ ถึงจะทำดีขนาดไหนก็ตายพราะพระพุทธเจ้าท่านหาะเหินเดินฟ้าได้มีพร้อมทุกอย่างท่านก็ยังทิ้งถาดทิ้งขันของท่า น, นเรื่องตายเนี่ยไม่ได้เลือกใครทั้งหมดแต่ว่าตายดีและตายไม่ดีเท่านั้นหละเือตายดีนั่นคืออะไรตายดีก็คือเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสั่งสมขุณงามความดีเอาไว้ ในเมื่อใจขาดตายไปวิญญาณคือใจของเรานะ่จะไปสู่สุขติเพราะบุญกุศลที่พวกเราได้ทำไว้เนี่ยจะเข้าหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของพวกเราใจของเราก็จะเป็นพลังนำดวงจิตวิญญาณของเรานะ่ยไปสู่สุขติได้แต่ถ้าว่าเราทำกล้มชั่วทำกล้มไม่ดีกล้มที่ไม่ดีที่พวกเราทำนั่นะ มันก็จะหลั่งไหลเข้าไปสู่ใจล้วนแล้วจะเป็นบาปอากุศลมันก็จะนำไปสู่ทุกขติคือตกนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์ที่ระชานมากมายหลายอย่างนรกหลายหลุมเปรตหลายประเภทสัตว์ที่ระชานหลายจำพวกนะสุดแท้จะไปเกิดจำพวกไหนมันไปได้ทั้งนั้นเพราะ บ, บาปอากุศลพาไปถ้าบุญกุศลพาไป ก็ไปสู่สุขคติเหมือนกับมนุษย์ของเรานะั่นถ้ามนุษย์ของเราทำดีคิดดีพูดดีทำดีอแล้วก็ช่วยเหลือเจือจานเพื่อนมนุษย์สงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ไม่พูดจ้วงจาบเพื่อนมนุษย์อสรุปแล้วก็คือคิดดีพูดดีทำดีอย่างว่าอยู่ในเมืองมนุษย์ก็ร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าเขาเป็นคนดีแต่ว่าตรงกันข้ามคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีอยู่ในเมืองมนุษย์อยู่เดียวเนี้ยคิดก็คิดไม่ดีทำก็ทำไม่ดีทำก็จะฆ่าใครก็ฆ่าจะโคดจะโกงจะป่นจะจี้จะรักจะลั ก, จ ะ, ลกจะขมโมยจะลาบละลวงสามีภรรยาโกหกตอแหลหลอกลวง แล้วเป็นยังไงทําเมื่อทาไม่ดีเขาก็จับเข้าคุกใช่ไหมละ่ะจะอยู่รอยนวนอยู่ได้ยังไง เ, เขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางเอาไปขังไว้คนที่ไม่ดีนี่แหละนนี้เขาขอให้พวกเรานึกนึกดูก็แล้วกันนะเมืองผีก็เหมือนกันกับเมืองมนุษย์นี่แหละ้าเมืองมนุษย์ก็ไม่ต้องการคนชั่วชาติเสียหายถ้าหว่าเป็นเมือง ไปประโลคภายภาคหน้าก็เหมือนกันต้องการวิญญาณที่มีบุญมีกุศลวิญญาณดีแต่ถ้าพาพวกเราทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไปทางต่ำนั่นะก่อนที่จะถึงจุดนั้นแหละก่อนที่จะถึงจุดจบของชีวิตนั่นะให้พวกเราเตรียมพร้อมเอาไว้แต่ตูโมกที่หลวงพ่อได้กล่าว ตูโมกก็ทุกวันพระในพรรษาก็ได้สั่งสมคุณงามความดีได้สั่งสมบุณกุศลมากทีเดียวสมอัตภาพเต็มความสามารถของผู้สูงอายุแต่สมัยก่อนก็ยังว่าการลุ่มหลงมัวเมาไปตามโลกวัตะสงสารแต่บั้นปลายชีวิตก็รู้สึกว่าตูโหมกรู้สึกว่าทั้งอกตั้งใจสนใจ มาช่วยวัดวาศาสานามาช่วยวัดหลวงพ่อเลยมากทีเดียวเคียงบ่าเคียงไหลถ้าเห็นผู้สูงอายุมาแล้วก็ต้องเห็นตูโมกมาด้วยตูโมกเราเป็นผู้เท่าที่มีน้ำจิตน้ำใจทีเดียวแต่ถึงยังไงเกินการเกิดแก่เจ็บตายก็อย่างว่าทุกคนทุกรูปทุกนามเออ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทหลวงพ่อค็ัมีแต่เตือนห่านะเตือนทุกคู่เตือนทุกคนเตือนหลวงพ่อด้วยอพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอชีวิตมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยไอ้จะไปรักใครก็จะไปรักเกินไปโกรกกาาธใครก็จะไปโกรธอิจฉาพยาบาทใครก็จยไปอิจฉาจนเกินไปต่างคนก็ต่างทิ้งถาดทิ้งขันอีกสักวันหนึ่งให้สังสมคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศล เข้าสู่จิตใจนั่นแหะอนันตเลิศประเสริฐอบุญกุศลก็คืออะไรให้ทานรักษาศีลภาวนาภาวนาเนี่ยแหละสําคัญมากนะให้พวกเราภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรมากเพียงแต่บังคับจิตใจของตนเองเท่านั้นน่ะแต่มันบังคับยากนะบังคับใจของตัวเองบังคับยากมากแต่ถึงยังไงพระพุทธเจ้าท่านพาบังคับมาแล้วเอท่านกําหนดดูแล้วให้มีสติสัมปชัญญะ ก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้เป็นพระหัน์เอพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสราบันจิตใจของแต่ละท่านจะสงบลงได้ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะกระต ong บังคับนะจะปล่อยตามอําเภอใจมันอยากจะคิดกงให้มันคิดไปแล้วให้มันสงบเองมันไม่มีทางหรอกงั้นเถอะเหมือนกับเด็กนะปล่อยไปให้มันใหญ่ไปต่อไปมันจะเรียนรู้หนังสือเอง มันจะรู้ได้ยังไงตัวเองก็ปล่อยปาละเลยไม่สนใจในการเรียนอีกมันจะรู้เองหรอกมันรู้ไม่ได้ก็ต้องบังคับให้เรียนตัวเองเยเจ้าตัวเองพอคุณรู้คุณค่าต้องตั้งใจเรียนบังคับตัวเองให้เรียนมันจึงจะรู้ได้ เ, เพราะนั้นเรื่องทำสมาธิก็เหมือนกันนะั่นแหละเราจะไปปล่อยปาละเลยให้มันเป็นสมาธิเองเป็นไปไม่ได้หรอกออมันต้องบังคับ ถ้าว่าบังคับคํานี้ก็เหมือนกับขู่เข็นอะไรมากมายนักหนาไม่ใช่เให้เข้าว่าให้ตั้งสติให้ตั้งจิตใหม่ให้ตั้งความตั้งใจใหม่อให้ตั้งตนใหม่เอที่เราจะทําคุณงามความดีนั้นให้ตั้งตั้งค่าตั้งทางใหม่เหมือนกันได้เอออย่าไปปล่อยปละละเลยจนเกินไปนี่แหละคือว่าตั้งตั้งตนใหม่ตั้งสติใหม่ ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองในเมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองแล้วทเท น, นเอะจะกำหนดภาวนาจะเป็นไปได้เทนหรือจะเวลาน้อยเออข้าพเจ้าคิดวันนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโม ง, งเป็นกี่นาทีและก็เป็นกี่วินาที เ, าเราจะทำจิตใจให้สงบจิตใจไม่ให้คิด สักสิบนาทีได้ไหมสักสิบนาทีภายในยี่สิบสี่ยี่ี่ชั่วโมงนะั่นแหะเน่ถ้าเราทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไมันก็แปลว่ากิเลสกินเราทั้งดุ่นตลอด24ี่ชั่วโมงร้อยเปอร์เซคือกิเลสกินหมดนะแต่ถ้าว่าเราแย่งมาได้สักสิบนาทียี่สินาทีสาสิบนาทีแลเลื่อนหนึ่งชั่วโมงก็ยิ่งดีภายในยีสสี่ชั่วโมง เราเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราซะหาใจของเราพักผ่อนซะหนึ่งชั่วโมงเพอกิเลสเอาไปกินซะ23ามชั่วโมงธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราหนึ่งชั่วโมงอันนั้นเลิศประเสริฐได้ขนาดนั้นนะแต่โดยมากมันกินร้อยทางร้อยนะร้อยทางร้อยคือกิเลสพาไปทั้งหมดคิดตามอำเภอใจพูดตามอำเภอใจทุกอย่างมันคิดตามอำเภอใจนะั้นมันมากกว่าออกนอกตูนอ ก, นอกทาง โดยที่มันได้ยับยั้งอะไรเลยพวกเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะพวกเราได้รับการศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราควรจะฝึกหัดดัดนิสัยฝึกหัดดัดใจของตนเองให้เป็นคนดีใจดีใจมีคุณภาพใจมีคุณธรรมใจมีศีลธรรมใจมีจริยธรรมใจมีสติสัมปชัญญะใจมีมัจใจมีผลใจให บำเพ็ญมรรคผลเพื่อเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานให้ถึงที่สุดทําเป็นไปได้จะไม่มาเวียนไวหวใต้เกิดอีกนั่นแหะเลิศประเสริฐนะเพราะนั้นในพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ต, ตูโมกก็อย่างที่ว่าให้ฟังนั่นนะอาการหนักนะตูโมกข่าวนี่แต่ถึงยังไงถึงข่าวนี่มันช่วยกันไม่ได้ละอัตหิอัตโนนาโถล่ะโกหินาโถปรโรศิยาอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน โกหิหนาโถปโรซิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ในเมื่อถึงจุดนี้แล้วตัวเองเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยกำหนดภาวนาเนีเอาจิตดูจิตเด้กํกหนดปุ๊บเข้าไปเลยโอ้ข่านี่ไปแน่ไว้ขาวนีให้ย้อนจิตมหาจิตไม่ต้องห่วงหาอะไรกับใครทั้งหมดปล่อยวางทั้งหมดให้มีสติอยู่กับตัวเองอย่าไปคิดถึงไล่ถึงนาเรื่องรั่วเรื่องสวนเรื่อง เออจะหายแล้วไม่หายเรไม่ต้องคิดทั้งนั้นแหละอาหายหรือไม่หายกข่าไม่สนใจละให้เขามาจิตใจอยู่ในจิตตรงนั้ใ น, ใ, น ใ, จใจอยู่ในใจผู้รู้อยู่กับผู้รู้มีสติสัมปชัญญะในขณะนั้นนะให้เป็นอย่างนั้นนะเวลาถึงจุดถึงข่าวมาต้องพึ่งตนเองอย่างนั้นถ้าว่าพวกเราทำใจได้อย่างนั้นนั่นแหละสวรรค์หรือพรมไปได้เพราะจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง เ, เกิดฌาน เกิดญาณคือจิตสงบแล้วกันนะไปพรมได้ง่ายๆเลยเพราะไม่ยึดมัน่นถือมั่นอะไรทั้งปวงเนะีทางวานละลึกถึงบุญกุศลอยู่จิตใจนิง่งก็ไปสู่สวรรค์ได้ง่ายๆเหมือนกันทางพวกเราวิตกกังวลสงจิตสับกระสายโกรธให้คนนั้นเครียดใค้คนนี้โมโหให้คนนั้โโค น, นคนนี้ว่าเขาไม่มาดูมาแลัวตนเองทำไมกูเป็นอย่างนี้ไม่คิดตัวเองว่าจะตายเราจะพึ่งเขาทาไม ที่เราจะไปพึ่งเขาเขาก็จะตายเหมือนกันแต่พึ่งหมอหมอก็ตายอีกแล้วใครจะไม่ตายในโลกเลยเราคิดดูให้ดีสิเพราะนั้นเมื่อคิดดูดีแล้วนะใครก็ตายหมดทุกคนเราจะไปพึ่งใครอีกคณะนี่ต้องพึ่งตนเองนะัเราหนาเลยนั่นแหละเอให้ภาวนาเถอะให้พึ่งตนเองในพ่งเมื่อพึ่งตนเองนั่นแหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าใว่าอัตหิอัตโนานาโถตนแลงเป็นที่พึ่งของตน อย่าไปคิดพึ่งคนอื่นแต่ว่าพวกเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่เคยฝึกหัดจิตภาวนาเอาไว้ก่อนมันก็กระสับกระส่ายเหมือนกันนะคนที่โมโหโกธาโกรธให้คนอื่นใจขาดในขณะนั้นเอพระพุทธเจ้าท่านทํำลายไปเลยทาบอกว่าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดุร้ายไปเกิดเป็นเสื อ, เ, อเป็นเสือเป็นหมีเป็นงูอถ้าใครโกรธมากก็เป็นงูจงอางงูเห่าไปงั้ น, หงงนะหรือไง ทำโกรธไม่มากพ็ได้ก็เป็นงูขอแดงง ấy, ูนั่นแหละหากินกบกินเขียดนี่ถ้าโกรธไป ม, มากไปงั้นแต่ถึ้งยังไงก็ยังไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทที่ดุร้ายเพรานในพวกเราทำใจนะพึงตนเองนะให้มีธรรมในใจนะในจุดนั้นให้ภาวนาถึงถึงยังไงยังไงพวกเราจะถึงจะเดินเข้าไปสู่จุดนั้นอยู่แล้วอย่าไปกระสับกระส่าย พิจารณาเอาไว้ให้ภาวนาเอาไว้ให้จิตใจมั่นคงเอาไว้ไม่ต้องคิดถึงใครทั้งหมดในเข้าส ม, มรภูมิเช่นนั้นให้จอดูดที่ใจให้ดูที่ใจตนเองเท่านั้นแ่ละจากนั้นให้ปล่อยมากกว่านั้นใครร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราใจของเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราพิจารณาถึงใจอีกใจก็ไม่ใช่เราอีกทาไม ใจมันมีอณิจักรของไม่เที่ยงเรียกว่าคิดดีที่กูคิดชัว่วที่กูดําดเรียกว่าขาวเนี่ยใจดวงนี้ไม่ใช่เราอีกไงในเมื่อเราปฏิเสธทั้งกายทั้งใจนะนอกเหนือจากสิ่งที่มันเหนือเหนือสิ่งที่มันเกิดมันดับมันเหนืออณิจังทุกขังอนันตานมันจะเป็นทำรรมาธาตุขึ้นมาอีกอรรมตะธาตุอรรมตะธรรมจะเกิดขึ้นในจุดที่เราปล่อยวางนั้นแหละตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร